นะฟังามกันเนาะมีผู้ฟังในผู้พูดเรียกว่าฟังทมผู้พู ด, พดก็จะพยายามพูดป็นเรื่องที่ถูกที่ผิดให้ฟังผู้ฟังก็ได้ฟังแล้วไปทมตามที่บอกที่สอน เปว่าฟังธรรมแล้วปฏิบัติตามธรรมอย่าปฏิบัติตามอาธรรมที่ไม่ถูกต้องนี่คือการฟังธรรมเรื่องที่ิที่ถูกแล้วเกิดจุที่การที่ใจเรานีแล้วก็เรามีสติ ให้มีสติ่าหลงเพื่อดูแลกายใจเมื่อเรามีสติดูอยู่ก็จะเห็นสิ่งที่ผิดที่ถูกเกิดขึ้นที่กายที่ใจเราก็จะได้เปลี่ยนให้มันดีได้แก้ไขในสิ่งที่ไม่ดีให้มัน ด, ในดีในสิ่งที่ไม่ถูกให้มันถูกเมื่อเราทำแบบนี้ ก็ชื่อว่าปฏิบัติตามธรรมต้องไม่ทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ปฏิบัติตามธรรมสิ่งที่ผิดเกิดขึ้นก็ไม่ได้แก้ไขสิ่งที่เป็นทุกข์เกิดขึ้นก็ไม่ได้แก้ไขไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้ตามตามความถูกต้องให้มันเทนที่มันก็ จ, จะสงบ เป็นงานเป็นการขึ้นมาทำงานทางกายทางใจให้มันถูกเันต้องถ้ามีจิติจจะเห็นสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นก็จะได้แจ้งขายในสิ่งที่ไม่ถูกต้องถึงไี้เหมือนจะทุกข์เป็นโทษจะไม่มีทุกข์มมีโทษ เราถึงบทถึงเกษมเก่าวคือมาดผ่านสูงสุดของชีวิตเราคือจิตหมายใบทางคือบัคปณิพานเราไปถึงมดถึงผลเพราจะจังนเวรยนมีภัยจนตัวเจ็บเจ็บตายเราไม่กลายไม่ใจนถ้าเราไม่สั่งไม่สอนไม่ปฏิบัติตามธรรม มันก็เป็นทุกเป็นโทษต่อตัวเองและคนอื่นสิ่งอื่นวัตถุอื่นจนมีปัญหาสร้างคุกสร้า ง, างตำลังต้องหวดชาหารมีกองทัพมงอาวุธเพื่อปอบความผิดที่เกิดขึ้นจบคนที่เขาไม่แก้ให้คนหนึ่งไปแจ้ไปปาบไปเห็นไปฆ่ากัน หลังจากเราเดือดร้อนแล้วก็จริงธรรมชาติก็เดือดร้อนหอยไปหมดแล้วโลกล่องเกิดขึ้นน้ำแข็งละลายจะท่วมโลกพราะคนที่ไม่ปฏิบัติตามมจึมเป็นมนบหนึ่งจากตัวเรานียก่อนทุกคนต้องต้นจากตัวเราทุกคนคนไทย65ล้านคนต้องต้นจากทุก คนมีสติดูแลกายใจของตัวเองให้มันคุม้มมันก็คุ้มได้ถ้ามีสติน ะ, ะไรเกิดเค้ืมากรู้สักตัวซะร <c oughs> <c oughs> ะหวางของกายของใจก็มีไห้มากต้ทงที่พูดในตอนในฉินก่อนในกายะกล่อมสมะกอีกล่อมสีเมืหนุกล่อมส การแสดงออกทางกายก็มีสามประตูที่เหมันผีดเป็นพลาดถ้าสัตว์ลักทรพัพย์ผิดในกรรมมีสามตัวนี้มันต้องรักษาได้แล้วก็อยู่ที่เรานี้ก่อนที่มันจะฆ่าก่อนที่มันขโมยก่อนที่มันจะคิดผิดในกรรมทั้งหลายยังเคยเหนืดอยตัดโลนแล้ก็เคยเจากความคิดที่ไม่มีสติตอนนี้เรามีสติเห็นมันอยู่ ก็ได้เปลี่ยนมันมันก็ไร่ไปฆ่าจิตเหมือนรู้สึกตัวจะทำง่ายไม่ถูกต้องก่อนที่มันจะข่าใจมันไม่ดีเพราะเาหมือนคามหลงข้หมอแทนแล้วมีจิตอยู่แล้วก็ไล่มันออกไปไม่ต้องลควขมหลงไม่ต้องลควขมโกรธไม่ต้องลความลุกใจเรามีจิตอยู่แล้ว ก็พุ้มหน่อยถ้าหวานขายสา3นี่พุ้มมล้วหนูกวามสี่คือใจที่มันคิดปลอยใหคิดได้ทุกอย่างทุกเรื่องมันก็ไม่ได้ใจนี่สามสอนคิดอะไรก็ได้จนเป็นนิสายตามความคิดที่ไม่ ตบปลุสังสอนจิตไม่ฝึกจิตตัวเองปล่เป็นคนโทษเฉลี่ิผโมหาจลี่หลาคฆ่าเฉลีรุนทุกเ์รนโทษตั ว, ตวเองเกิดจากความคิดหนิงทำให้เกิดไข้ได้ป่วยทำให้เป็นบ้าได้ เอนุชืพิมพมวัวนี่เป็นหลางอยู่กัตีหลังตาเลยผู้หญิงข้าลูกสองคนคนหงอายุห้าขวบคนหงอายุสองขวบเป็นผู้หญิงทั้งคู่แม่เป็นโรคประชดสามีเป็นรับจ้างเก็บหลัมใหญ่ที่หลําภูนคนเชียงใหม่ คนหลมพูนเลืไหยนี่หละก็เป็นโรคประจานลูกนอนอยู่สังเกตว่าจะเป็นเช่นนั้นเอามีดผ้าทูไปวันขอลูกตายแล้วเอามาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นส่วนเล็กส่วนน้อยชิ้นเล็กเช่นน้นอยอย่างขวัญแร ง, แงอยู่กับใกล้ๆบ้านแม่ของสญิงคนนั้นแม่ก็มาดู เห็นเอาลูกเห็นฝันเนื้อลูกเป็นชิ้นเป็นส่วนกองทิ้งที่ในกลางบ้านนั้นมันฟันแหลงกัวกัววนเพราะว่าแม่ก็ชอบก็วิ่งไปบอกคนมาชอบไปแล้วไม่รู้เรื่องรูกเล่าอะไรเลยโลกประชดเนี่ยยิดเนี่ยถ้ามัาคือหัดมันอันตราย ถ้าคนอื่นได้ไม่แต่ลูกก็ฆ่าได้ผัวข่าเมียก็ได้เมียข่าผัวก็ได้พีนกก่น้องทลากันแตกเล่าชมาคีแทนที่จะพึ่งพาใช้กันก็เป็นศัตรูกันกนนั่นเราคนนั่นเราเกลียดคนนี้เรารลกไปเสียแล้วคิดมันเปล่นเท่าไหร่สอนมันอะ่ะนี่เูกว่านกนก มโนกรรมสามคิดะคิดปฏิทุสลายเขาคิดปฏิบัติปองลายเขาเห็นผิดจกดกานองของทำทำชั่วได้ง่ายทำดีไม่ได้เลยเพราะจิต ข, ของคนไม่เึิดรับแห้แต่เราก็เ พ, พิ่งเราใจพึ่งเรไม่ได้ไม่รู้จะเป็นอย่างไรคุ้มร้อยคุ้ม ด, ดีผู้คู่แผบแ ยันจะคิดขึ้นมากนอนไม่ได้ชิืม้นเข้าไปลงคิดแบบกัดตอดตัวเองความคิดที่ไม่ถูกต้องที่ไม่หัดไม่สอนไม่มีสติเราไม่มีสติเห็นเหมือนคิดมันจะมีสองคิดตั้งใจคิดคือเรื่องดี อ, อ๋อจะคิดเรื่องทำงานทำการตั้งใจคิดเป็นงานเป็นการอันเดิมมันตั้งใจมาคิดขึ้นมาเอง ไม่อยากคิดมันก็คิดหยุดความคิดไม่เป็นเพราะไม่เคยสอนจะประโยชน์เมื่อมันคิดมันเป็นนิสัยเป็นแล้วก็ได้บางคนก็ยาบเราจึงมาหัดมีสติคอยคดูจิตที่มันคิดดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นธรรมดูกายเคลื่อนไหวดูเห็นใจมันคิดเราว่าจะมีสดิดูกายเคลื่อนไหวอยู่แต่ความคิดมันเกิดขึ้น ไปต า, ามควคิดไปโน่นน้องอยู่วัดปอมหาวันปฏิบัติอยู่ชุดคิดไปคุ้นกรุงเทพหรือนะคิดไปนน่นที่นู่นที่นี่คิดไปอยังไงเพราะมันเคยคิดมาเคยไหลมันเป็นสังขารคิดเรื่องเก่าคิดแล้วคิดอีกยังครั้งทีมีประโยชน์ก็มาคิดอยู่เช่นนั้นคิดดีไม่เป็นไม่ได้คิดไาย นะก็บูดนอะบึ้งนี่คือไม่าสอนจิตมันคิดอย่างนี้ก็มีสติซะจะได้ปฏิบัติตามธรรมอหนี้เรารู้จึกตัวทักท่วงความคิดความคิดเตมนหลงเป็นความรู้จแล้ว เ, เอ า, ามรู้ไปแทนที่ที่สอนจิตเราความคิดตีหนึ่งก็รู้ันทีเดืงมีสติมันคิดสองครั้งก็รู้มันทั้งสองครั้ง หรือว่ารู้เท่ารู้ทันความคิดได้สอนจิตได้สอนายนิสติเรื่องใจเคลื่อนไหวเห็นใจมันคิดจะเห็นทั้งสอนหย่างเห็นทั้งคอยเห็นทั้งใจนี่ไว้ชีกันสี่ พูดเท็จพูดคำหยาบพูดสเชียรพูดโพชื้อพูดเท็จคือพูดไม่เป็นความจริงพูดคำหยาบไอห่าไอถีมึงกูดกันได้เ็นเมียเป็นหมาเห็นผัวเป็นหมาเห็นเมียเป็นอะไรไปหยาบพูดออกไปก็เป็นไวจีทุติยลิศไม่น่าฟัง คำพูดดิทำใหเสียเงินเสียทองก็ได้ติดคุกติดตารางก็ได้อย่างก็จบเสื้อแดงหัวหน้าเสื้อแดงติดคุกเพราะคำพูดดูด่าสอนรัฐธรรมนูญทำใหคนเกลียดชังสอนด่าอะไรสิก็าก้องเป็นคำพูดที่ิด เหตุทันติประเทดีไม่เคโลบซึ่งกันแลวกันด่อกันได้ไม่เห็นคุณเห็นค่าความดีของเขาโดยสุกเอาเข้าคุกไปแล้วเจ็ดแปคนเราถึงน้าเสื้อแดงทั้งหลาย <c oughs> ยังติดอยู่อีกนึ่งหลอยสิบคน เพราะอะไรเพราะจ้อยบันนี่แหละมันเดือดร้อนทำไมอะไรท่างๆไมไ่คิดเมตตา ก, กันหนาโตกันก็จากความพูดทั้งนั้นบางทีมันใจมันชิดมัว่าโกโกดังความโกดออกมาเผาบ้านาเผาเมืองก็มีทำลายฆ่าเฉินฆ่าไปคนก็ล้มตายไปคนดีๆถูกฆ่าไป เราไม่ได้ทำอะไรเลราก็เดือดร้อนถ้าคนชั่วเกิดขึ้นเราจึงมีสติคุมมันทั้งกาย ก, ายการรมสามัิจีกร 4, มกรมสีมโนกรรมสนึงได้มันชิบกัมากับลู้แล้วมันยังไม่ได้พูดเลยรู้สักตัวแล้วอารทมเกิดกับกายกับใจรู้สักตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สักตัวทั้งหมดเนี่ยก็เลยกลายเป็นความดีได้สอนก็ได้สอนใจใจมันก็นเชื่อง กายของคนใจของคนมันพัฒนาได้จากความเป็นคนให้เป็นพระได้ให้เป็นพุทธะได้จะได้พึ่งพระอาศัยกันได้เึกมันมีให้ฝึกกายไม่ ม, มารับใช้ให้เราได้ฝึกได้สอนวันแต่สอนเราก็มีประโยชน์จากตัว่องและคนอื่น พอจะเห็นในสิ่งที่มันไม่ดีันดีเกิดขึ้นได้หลักได้ฐานเห็นกายเป็นรูปเห็นใจเป็นนามมันมีอยู่ที่นี่ได้หลักได้ฐานเห็นที่มันถูกมันพิดรูปมันมีอะไร น, นามมันมีอะไรแค่ไหนเพียงไรมันมีทำไมชาติมีอาการอย่างไรในรูปในนามนี่ แอคชันลงไปบ้านแอคลไปลูกอาการของรูกก็มีมากอาการเกิดกับใจก็มีมากจะได้เห็นความเท็ความจริงเกี่ยวข้องกับมันอย่างถูกต้องไม่อมเป็นจุกไม่มาเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับรูก เห็นความบรรทุกเกิดขึ้นกับลูกเป็นความไม่ใช่ตัวตวนเกิดกับลูกสติมุ่งทุกไปเห็นมันก็รู้แจง้งเห็นจริงตามความเท็ความจริงาความโกรธมันไม่จริงความไม่โกรธมันจริงความทุกข์ไม่จริงความไม่ทุกข์เหมือนจริงทำให้สติจะได้เป็นตัวเฉลยได้ ่ให้ความหลงนอนอยู่กับใ น, นความคิดไม่ให้ความโกรธนอนอยู่กับความคิดนอนอยู่ข้างวันข้างคืนไม่ได้เด็ดขาดเพราะไม่ถูกต้องมีสติได้ประโยชน์ได้เห็นความผิดความถูกที่มันเกิดขึ้นได้แก้ไขาได้สอนตัวเองได้ช่วยตัวเองได้ช่วยกายช่วยใจยได้ดูแลกายได้ดูแลจิตใจ เราปล่อยกายปล่อยใจทิ้งมานานแล้วมาช่วยกายมาช่วยใจเรือ่องปฏิบัติธรรมมาให้มันปุกมันทุกข์ให้มันโ ก, นกรธัความโกรธมันใช่เจมันเป็นอาการมันเป็นอารมณ์มาจนมาอาศัยเราไม่รู้หรือว่าเราสา ทำตามความโกรธเสียผู้เสียผลเสียเปียบความโกรธแลลไม่รู้แบบนี้ลงไม่รู้ลงทุได้เห็นวันได้แจ้งขาได้สอนกายได้สอนใจไช่วยกายไดช่วยใจก็ใช้กายใช้ใจได้ป่ะนี่มีออกมาทำความดีได้สำเร็จ ใรนี่ผู้หลงปก้ป่ารักษาป่าบ้านตาดินทองเอาใจเอาใจมาช่วยกันรักษาป่าการรักาประกวดได้หนับที่หนึ่งของเขตของภาคและขอบประเทศนั้นจะได้บ้างนะใส่บ่าราได้ปร ะ, ระดประเทศได้ไหม นอนะพวกเราบอความดีที่มันเกิดขึ้นเราเห็นชุมชนบ้านตากลินทองว่าเออนี่คือคนไทยนี่คือคนไทยคนไทยที่รักชาติคือคนอยาน่างนี้ดูแลเราแล้วไม่พอดูแลสิ่งแวดล้อมช่วยกันจางนี้นี่คือพื้นฐานคนไทยถ้าคนไทยคิดแบบนี้การทำอย่างนี้มันก็อยู่กันได้ โลกจะไม่โลนเดีย๋ยวนี้คนที่ทำหน่า น, นี้มันอยจะมีเห็นแก่ตัวแต่บางคนมันเดือดร้อนเพราะฉะนั้นนี่มันฝึกได้สอนได้การใจของเราเนี่ยจนดีวิเศษ เป็นพระขึ้นมาเป็นพระอริยบุคคลเป็นพระอรหันต์ชั้นใดชั้นหนึ่งขึ้นมาได้นะจิตของเรานี่ถ้าไม่ฝึกมันก็เป็นเปรตเป็นสิ่โลกกายเป็นสร่โลกเป็นสัตว์ในกระฉานเป็นระบายภูมิที่ไม่จะเลื่อนเสียช่างเฉยเฉยเราจะมีโอกาสมีหลักคำสอนมีศาสนาศาสนามีพิธีกรรม ตาอชนบุคคลคือพวกเราเพาพิกูจแม่ชีวาจบบาจิกาตาอชนวัตถุ ก, ก็คือในวัดก็มีวัดมีศลามีพุทธรูปมีตำรับตำลานลังสือมากที่สุดคือที่นี่ชื่อธรรมะเป็นตู้ตู้เพราะผู้น้อมที่นี่เจ้ามาอาจารย์ไปสอนเป็นผู้ ที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านปัญญาคนยอมรับทั่วโลกวนันวันเชิญในลงตาก็าไปอยู่นวลภูเก็ตน่นเห็นดูดู ด, ด, ด, ดูทีวีที่อยู่ในห้องพรกอาจารย์สาษาอังกาเก้าวไกลไปเลยทั่วโลกคนเห็นทั่วโลกท่านอยู่นี่ท่นก็คนรู้จักทั่วโลกโอ๋อ ก็ถืวพวกเราก็โชคดีถ้าไม่มีอาจารย์ไปสอนอยู่นี่จะมีใครรู้จักเราที่นี่เดี๋ยวนี้วันตอนดินทองก็มีคนรู้จักกันเยอะจะไปสอนไม่ชี้อวดไม่ชี้วันเนี่ยช่วยกันเนยๆเราได้อะไรเราอยู่ที่นี่ไม่ได้ไเลยเลยมาดูเลยมันเป็นพานลงให้เป็นพานลงวัดช่วยช่วยชาวบ้านขอบิณฑบาด แต่เข้าวหนล้บาทก็พอที่อยู่ได้กินบำเหนชีวิตอยู่มันก็เป็นสาวชนบุคคลมันมีความดีความงามอย่างนี้ประเทศชาติเราแล้วเราไปเย่งเคียงชาวบ้านทำไรทำสวนนักบวชในประเทศนี่มันสองสี่แสนรูปในชีวิตเนี่ยถ้าไม่มีนักบวชอยู่อย่างนี้จะไปเยื่งที่ทำเคิงชาวบ้านเท่าไหร่แล้ว ผ่นเราไงานเท่าไหร่พลังงานเท่าไหร่เราก็อยู่นี่ก็ช่วยเศรษฐกิจเราไม่ได้เผ่าฝันพลังงานเป็นข้าวหวานละมือ้อเราอยู่ได้ยังไม่ตายเพราะฉนั้นเราจึงมีสอนนะบุคคลสอนนึงวิธีสร้สางวัตถุสนชนะทำคําสอนมาบอกกันอยู่นี่ ความโกรธไม่ถูกต้องความไม่โกรธมันถูกต้องได้ยินโบได้ยินไหมอย่าทำตามความโกรธอย่งนีสติความทุกข์มัมน ถ, มถูกต้องความทุกข์มันอยู่เปลี่ยนเปลี่ยนรายเปลนดีเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้บัดเปลี่ยนอย่างนี้เลยว่าปฏิบัติตามธรรมได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ปฏิสน ตัวเองได้ช่วยกายช่วยใจเหมือนกับเราจะได้ประโยชน์จากการจักใจเกิดมาเกิดผลขึ้นมาอันนี้เ็ามาได้พูดจากเพื่อที่นี่ไปอยู่พวกเจืสี่ห้าวันถึงกลับมาเนี่ยตั้งแต่วันนู้น เราคะิดถึงผู้หลงอยู่มาถึงผู้หลงเนอะเย็นสบายเย็นจากธรรมชาติภูเขากับเย็นเหมือนทะเลมันเย็นคนละแบบเย็นทะเลมันเย็นเย็นผิวกายเย็นเหนียวเเย็นภูเขามันเย็นเย็นถึง .swing ถึงจอยถึงไม่เหนียวเลี่ยงเกาก็สมบูรณ์เราะนัน ก็พูดถึงชงวิตรลมผู้คนไปเห็นผู้คนที่นั่นไปเห็นสิวิตรลมที่นั่นเขาก็สะดวกสบายกว่าพวกเราเดินตามทางก็มีของอยู่ของกินเวลาจะจินปลาแล้วก็เอากระมังเทินหัวใส่อวนใส่ด่างลงไปก็เดินลงไป นั่งเลือฟ้าเป็นไปนั่งเลือฟ้ากับแฟนวางอวนวางดางเอาดึงมาก็ได้ปลาใสกระมังข้างหม้อไว้กินได้ปลาไม่ได้เลี้ยงทะเลมันเลี้ยงให้พวกเราอยู่นี่เ็ยงไงแเราตาก็รักชาวบ้านหนีจากชาวบ้านมาได้อยู่แถวนี้มาสี่สิบปีแล้ว เยาวันนี่บ้างโยโย่ก็โ ต, ตบ้างโยผู้เขาท้องบ้างนี้อยากทินนี่มาได้เพ้อสงสารชาวบ้านถ้าไปดูที่อื่นเหรอดูไปอยู่ที่ไหนก็ได้ไปอยู่ในที่ไม่เหยียบดินเลยก็ได้ในโลกนี้ในประเทศต่างประเทศเออแล้วอยู่ที่นี่จะอยู่ที่นี่ื อ, นอจนท่าจนเจรับปัญหาแล่้วเราก็ ยิ่งลอ ก, กันมากขึ้นเห็นความล้มบ่ ก, กันนะมาจินเราก็อยู่อย่างนี้แต่แล้วก็มีความสุขนะเพราะฉะนั้นปอยู่ทนั่นมีแตคนแย่งกับหมาจินกันวุ่นวายกันใหญ่เลยจนะิตใจไม่เป็นตัวเป็นตนเรานิ่อยู่นี่นิ่งยิ่ ม, ยมแย้มเฉยเฉยไม่อยู่นี่แล้วไปวิ่งอะไรมากมายคิดอะไรมากมาย ก็ อ, อยู่ได้ก็จากนี้ก็เลยว่าทำสัมโดดความมีของเราคือความสัมโดดเป็นเสถียแห่งความสัมโดดพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้ว่ได้ตือนร้อนอะไรก็มีความสุขแต่คนที่ร่ำรวยก็มีแต่จะเอาเย้าเย้าแล้วก็ทุกเป็นเปรตเปลูกดทั้ตัวเลยไม่ใช่ประดาใคร ผู้ใดเป็นงนั้นก็เป็นทุกข์ของเองเราอยู่ที่ไหนก็ดีคนที่อื่นที่เขาดีๆเขาก็มีคนามสุขมีธรรมะไอยู่ที่โน่นเขาก็ปฏิบัติธรรมใส่เขาดุ่งเขาเมือปฏิบัติธรรมงั้นเหมือนเรานี่เขาก็เป็นเจ้าของโรงแรมเขาก็ปฏิบัติธรรมสมบูรณ์สมถนปฏิบัติธรรมกันดีเหมือนกับพวกเรานี่เขาก็รู้จักแบ่งก่อน ห้วแหลมคืนหนึ่งหกหมืห้ามืนห้องหนึ่งคืนหนึ่งห้าหมืนห้องที่ต้องตอประโยชน 50, ึเ5 0ห้ามืนคืนหนึ่งสำหรับคนต่างชาติเราไม่ร ไ, ไม่อดเงิอนอดทองเท่าสาาที่อยู่กันห้องอใหญ่ๆเดินจงกรมทั้งวันในห้องนอนสองห้องคนเดียว มีห้องน้ำมีองอาบน้มีห้องน้ำมีห้องส้วมเอยะเลยเรื่องใช่ไม่เคยดูทีวีนั่งดูทีวีทั้งวันเลย <c oughs> ไม่เคยมีทีวีดูไปที่นั่นทีอันใหญ่ๆเัวดูเยถ้าหากเปิดทีวีให้ว่าเปิดได้ทำอะไรเชไ ง, ไง <c oughs> ก็ได้เห็น จึงเห็นจำปสา ร, ราสแสดงธรรมในทีวีโอ้อาจารย์เขาพวกเราคนลูกจากทั่วโลกนะเพรธรรมะบอกของเชิดของยิ้งต่อคนให้เราพอใจอยู่ที่เราพวกเราทรรหาจรินอย่าเบียดเบียนตังเอ็กคนอื่นนี่หลวงตาก็จะไปบวชที่วัดภูขอทองจะไปฉันเช้าที่วัดภูดขอทอง จะไเดี๋ยวนี้เราเนี่ยเช n ญตู้อ๋อป๊อปปอง